どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうンどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどう ในฐ า, นาฐาปรับกายของภาพิษย์คือคือคือในช่วงภูปฤูสองสักมันที่ผ่านมาโดยกันป้าคฮัสุมเขาจะได้เรื่องหลังกลักมาได้สองเลือกเรื่องแรกถึงการถึงความมันใจของเราในการมีชิควันประวัติเช็นความมันใจของความรอบ ว่าเรามั่นใจขนาดไหนเพราะว่าพระเยซูจะมาและกระุณาเราไปหรือเราจะไปหาพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะมา น, นี่คือความมั่นใจสุดตัวแล้วนะครับโค้กเกี่ยวกับเรื่องของการจดจ่อเชื่อกับสวรรค์และโลกอันนี้ถือว่าเป็นป ข, ข้อสุดท้ายท่ามกลา ง, งาก็เขาเรียกว่าอะไร เราคิดแต่วันวันมืดเลยลืมคิดเรื่องสวรรค์เราเลยคิดแต่เรื่องของวันนี้ยังอยู่รอดอย่างไรวันนี้จะทำอะไรมองเนี้ยนะแต่ลืมคิดเรื่องสวรรค์เราเพราะเราคิดว่าเราอยู่ไม่ได้แต่เราคิดว่าจะตายวันไหนเราได้เราคิดแบบนี้นะแม่คิดแบบนี้แม่เศร้านะคิดในทางในทางพิเศษนึง เราคิดว่าในหน้าเราคนของพระเจ้าเนี่ยเรียกว่าร้องตายจากโรคนี้ใช้กำลังร้องตายจากโรคนี้เพื่อไปถึงกับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เรา ท, ทุกวันวันนี้ถ้าพระเยซูมาเราจะไปถึงพระเยซูไหมงานนั่นคือสิ่งหนึ่งครับและสิ่งนี้ทำให้เราเกิดความมั่นใจในชีวิตการในชีวิตว่าเมื่อพระเยซูสิ้นสุดสวรรค์เนี่ย โพรปริธิน3เพื่อนไว้ซรักคื быв ด figure บา Assassins สละคริป merger. และเราต้องใส่ใจคือว่าคื acam distinctive suspicious 355คร construir ต้อง不起เอาเพราะหากวางวิดกบมิสุดพ itious regarded as technology Whipsları นิโพย์เจ้าสตรย์出 trade ถ้าช catchesLER งั้นเราต้องมาใส่ใจเรียนรู้เรื่องทุกอย่างเลยสิข้อที่สามเรื่องของพจน์ธรรมจารย์การอภิษฐานของชีพจิตตัวการใส่ใจกับพจน์ธรรมจารย์เมื่อเราใส่ใจกับพระพุทธเจ้าครับเขาก็ใส่ใจทุก อ, อย่างเลยสิยขเขาก็รู้ว่าในภาพจักรนั้นเราก็ทำอะไรได้งานวันนี้เราพูดถึงจักรจากสมบับบติ ย, ย่องานสมบัติย่อเรื่องจักร ในภาษาอังกฤษว่าอินโดนีเซียงานนี้คือสิ่งสำคัญอินโดนีเซียภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ทับศัพท์ออกมาแต่ภาษาอังกฤษจะว่าอินโดนีเซียงานนี้คือสิ่งที่สำคัญนั้นสิ่งที่เราทำความใจเบื้องต้นทิจจักรของพระเจ้านะครับไม่ใช่ตัวาอักษรอักษรคือบทตัวอักษรนี้มีไว้เพื่อทำ ศา ส, สนาพิธีมีเพื่อคนของพระเจ้าจะมาใช้ไปเที่ยวรวมงกันในการมัสการพระเจ้าในวันนี้เรามารวมกันเพื่อการมุนการมัสการพระเจ้าอาคารนี้ถ้าพูดตามภาษาไทยเราไม่บอกว่าเราไม่เรียกว่าเรียกจักรเคยพูดใครบ่อยคือพูดสมัยก่อนเนี่ยเขาแยกเอาไว้ชัดแต่คนสมัยใหม่เนี่ยอาจจะที่ส่วนมันบูรร่ศางไปภาษาเลยตัดออก นอปบมนก็ดูปะ the lancour and dap That after that it was, นี้จะสื่อความหมายคือ being translated, ถ้าไม่ เ, จะไมเขえた節目เป็ยน inheritor of the language that the language that gösterars เชื่อ dating the behaviors you would blink. Both vost พริฟศก่ะน่อ corridmmway as similar เคล ��zet ไปกับนัไออบนอ้น BS aí Ehh...Both w son ภจพรนบาวไหวอาคารอาคารนี้ ในฐานะที่ที่คนของเชาะดจ้านะครับคึกจักรเจ้าอารมณ์ตัวเก่งที่นี่แต่ใช้ชื่อกลางว่าพอร์ตพอร์ตกำลังเราคึกจักรนักลุกนะครับอาคารนีรน้เราเขียนชัดๆว่าโอนแล้วก็คึกจักรพิทุนังพุ่งสถานที่ที่คนของพิษ ที่ชื่อว่าทิพย์มรุโกล่ะมารวมตัวกันทำมาสการจับทีการพูดตามภาษาไทยเนี่ยแต่ตอนหลังเราตัดคำบ่นออกหรือคำทิพย์จับคำเดียวเวลาเราเรียนแปลทิพย์จับหมายตัวคำเยอะเลยนะตัวคำเยอะเลยนั่นบางทีก็ไม่ได้โทษใครดีสำหรับการตัดคำออกนะการตัดคำออกบางคำบางเนี่ยภาษาไทยที่มาที่ไปต้องมันอยู่แต่ว่าคำทิพย์กระจายเราพยายามว่าเพื่อจับ และไม่ใช่อาคารอาคารมีอหมูตัวาคารนี้เราไปคำสนักดิแต่ขี้จักฏ์นั้น synagogue เป็นดูวคลเป็นเอกพทหรือหมูคลทเป็นม глубocch หรือเป็น aden สมูกขนัดที่เป็นปุอนปากาการๆมันคือให้프로โคร selling ง่ายอันนี้คือองแบบว่าขี้จักฏ์ ical inheritance B packaging พ audition ที่เจอบ ต, ตื่นใจตัวโอาคาร Across means และดูอาคาร ته อ Islands แต่ก็ใช้ความคิดจักเราพูดถึงตัวเราคนอ่านบางค น, น, นงคนกีนห่หลายคนกี่หลายนคนนี่นคือสิ่งที่เหนื่อยสำคัญตั้งใจกับนอนเรื่องต้นก่อนเมื่อบอกไปโบสถ์ไทยเขาถูกแล้วถ้าใครถามบอกไปโบสถ์ถูกสุดนะถูกต้นเป๊ะตาภาษาไทยตาใครถามบอกไปไหนความคิดจักนี่คิดมาจากักตัวเราเราไปไหน การที่จับตัวเราไปที่จับนุ่มมาได้หลายบาทหลายพอนั่นก็ตัวเราจับใช่ไหมหน้าเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องตั้งใจขึ้นนะตัวอาคารไม่ใช่จับตัวอาคารไม่ต้องมีไว้เพื่อทำสต๊าฟที่หรือการรักษาแต่จับแค่หมายถึงตัวคนนะจะเป็นทั้งหนึ่งหรือสองขึ้นไปก็ได้ เงินก็เป็น ต, ตัวหลักเดียวกระสอบขึ้นไปก็เป็นตัวกายซึ่งมันมีถึงอวัยวะต่กกางๆใช่ไหมนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่นายบอกเห็นนั้นถ้าใครท้าเราปรไปไลฟ์ไปอยู่เลยครับจะบอกไปพิจารณ์นะครับถ้าไปพิจารณ์ท่านมาท่านทางที่บ้านเลยพอตรวจท่านพินจารณ์นะฮะ น, นี่คือาการปรับปัจจัยกันเบื้องต้นนะครับใ น, น, นวัตกรรมมาทิวบทที่6ข้อ8ข้อ9 ฝายเราบอกท่านว่าท่านคือเป็นโดนและว好了งเหรอสสแหลงนี้เราจะสาพ cosplay ฟิกจักฆ์ของเร Antán และกำลังแห HavingPass Church ต้นงดปฏิกจักฆ่าใน order เราเค้ย dled รับบิน овал พเจอข์ห plane enza consumption มียอดฮัลระหารท่านจะเกราวห่างสมารีนนโ่โรขสิ่ง News นั้นที่ถูกปล่ามาห้าง central เป็น MAT aleке Ngiered Habaniuday จะเกราห่างยาบิน овал พเธอ FROM ของรังพายหลังไปทำตะการรองในท ierz วิตของอุก ößArejim ท femme?' ยินาวนี้ตอนแล้วการรบหมุใจสิง่าหังพั Bengدة กับพักดาลส sided haitian การจะคุณประการลดการร่าพงกああ come a hand และการพบบบุ e tern เพื่อคนพรุมมุมิซักขาบ tok เว้ยวทร Kar Katharsas และคนนี้เห็นได้ในโธนิยาห์เธอนก àn การสิคเมีย workshops ประหยกดาลทรุมมิ aide ジャマビのメイクはイエスをかけたらかんとくる。もしあり、ジャミーもパンチュアになたのに。 พลิกพระบุตรของ au, พระเจ้าผู้ส่งพระชนม์พลิกจักรคือบุคคลที่มีความเชื่อว่าพลิกคือพระบุตรของพระเจ้าผู้ส่งพระชนม์พลิกคือผู้ที่ได้รับการแต่งตังง้งจากพระเจ้าในให้มาในานามของผู้ของพระเจ้าและยังส่งพระชนม์คนที่มีความเชื่อนี้นะเราจะาทราบพลิกจักรว่า ก็คือจิตใจคุณและกำลังของความตายมีใจต่อคนเหล่านี้ไม่ได้และที่สำคัญเราจะมอบแก่สวรรค์นะแก่สวรรค์มอบให้ทุกคนนะไม่ได้มอบให้กาพานใช่ไหมแก่สวรรค์จะมอบให้ทุกคนนะในหมอกาพานทุกคนคือจิตใจคุณมอบให้คุณนะเราจะกล่าวห้ามในโลกประเสริฐกล่าวห้ามด้วยเราจะกล่าวการในโลกประเสริฐด้วยเราจะกล่าวการในสวรรค์ด้วยนะครับ เราดูความหมายทุกจักรของพระเจ้าสิ่งแรกคือตัวบุคคลเอกภพหรือเป็นบุคคลคนใดที่มีความเชื่ออย่างเต็มโตอย่างเต็มโตกล่าวไปไกลเลยว่ากล้องคือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์โดยพิจารณาว่าพระเยซูคือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เราเรียกเขาว่าพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์นะดูปิดปากกันนะ แต่ถ้าให้พูดอย ต, รตรงๆตงน้องเลยว่า น, นี่เยซูทรงเป็นบัพติศฐาทรงบูรณะบัพติศฐารับการแต่งตั้งและยังทรงประชุมอันนี้นคือความเชื่อแบบนี้หรือไม่ยก็ลูกของพระเจ้าในพระธรรมยืนยันย้อนที่หนึ่งข้อสิบสองแต่ส่วนบุรณะนี้ต้อง ร, รับตรงด้วยเชื่อในพระนามของพระบาร์ธาสิทธิ์ให้เป็นบุญ ข, ของพระเจ้า ที่เราเรียกว่าลูกพระเจ้านะคะนั่นลูกพระเจ้าเนี่ยนับเป็นหลายคนเนี่ยนับเป็นหลายคนมีนับเป็นหลายคนได้นั่นเป็นส่วนหนึ่งกันได้แต่ว่าอยู่ในหลายคนนั่นคือครอบครัวและการครอบครัวการรวมนั้นเขาหมายว่าพระเจ้าเป็นบุคคลเป็นตัวบุคคลเป็นเอกภพเป็นหนึ่งบุคคลหรือเอ่อเป็นหนึ่งบุคคลเนี่ยน่าจะมีความเชื่อที่เยอะและเป็นโต นั้นถ้าเราถามว่าเราตั้งใจความว่าไหมเราถามว่าเรามีความเชื่อเป็นตัวไหมที่เชื่อว่าพระคริสต์พระเยซูเป็นพระเทพพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์พระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เราเชื่อหรือไม่ถ้าเชื่อนี้เราก็ถือว่าเป็นลูกของพระเจ้าถ้าถือลูกเจ้าเมื่อเป็นลูกเจ้าความรอดก็เป็นของเราคำพูดง่ายๆตรงนี้ ถ้าท่านมีความเชื่อนี้ความร่ำลุกต่อนั่นน้องถามทุกๆวันเป็นวันของลูกเจ้าหรือเปล่าถ้าลูกเจ้าจะต้องเชื่ออะไรเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระพิคผู้บุกของพระเจ้าผู้ทรงประชุนอยู่นะผู้ทรงประชุนอยู่เราพูดแบบพวกพวกนะที่พระเยซูพิคนะเราเอาคำตำแหน่งแล้วก็อะไรชื่อมันลงกันนะอย่างคนไม่เอาตำแหน่งครับ ชื่อมารวมกันสิบสามสมรจัยตำแหน่งกับชื่อมารวมกันอย่างนี้นะถ้าก็เราเรียนในตัวคูณนะหมวดนั่นหมวดนี่หมวดนู่นประกอบนั่นประกอบนี่เราเอาชื่อกับตำแหน่งมารวมกันนั้นตอนเราเรียนมิจิสุฟิกเราเอาชื่อกับตำแหน่งมารวมกันเอาเอาตำแหน่งเชื่อกันเจิมจากพระเจ้าแล้วกับชื่อนิจิสุมารวมกันเราเรียกว่ามิจิสุฟิก มีสุเป็นคณะคือสิ่งสำคัญที่ใหญ่มองเห็นภาพนั้นเราคือบุตรของพระเจ้าในฐานะทนี่เป็นบ้านเชื่ออย่างเหมือนอย่างเปโตรเราถูกเรียกว่าเป็นพืชจักรของพระเจ้านะว่าหมายสอนเป็นผู้คณะเป็นผู้โพดเป็นผู้เชื่อในฐานะถูกชนของพระเจ้าอัตชรช้ชางปุณ น, นะ ในฐานหาร ses กใกาจของระค่อบตร Koskoan Todos ในฐานหาคอบครถสรวก unter gene dellaerekonomie ในฐานหารลูกแก่ของ Pav gorilla อันนี้เป็นชุดๆเป็นสุดคนะดังเมื่อ ร, รัวตัวนานยออกมากกว่านกฮังคนเนีย้แล้วเซอเป็นชุม่ง хорош เพียงชุดมชมชนของ Pav accidentally เพียงรูก ค, คนผ pl えてเานาากนปรียน pandemic 유튜 �RI ตา aufen ล้ itung ทาได้มากต่างเป็น Connectamment ค, ครับ уд гарρί� 만 งามตัวโมม Nil sociedad เราเป็นรูปของรุนาเป่นงามายรูปแกะของจเจ้า studio ไปเหมือนเจ้าจะพูดยพิเผ decorative life ในคานณ extension จะมีรูปแกะผมเปันฝืูมแกะของรุ่น่ dotted web เพอรายไว้ الف ร้างษังวันคือตว испыт กิดอย่างเคยคือซึ่งที่นอกมีภาคตรงั้นผม hearts �osure เข้ามาเพื่อจ limitations ทางหรือ ацuks เจ้า→อ Bold วานเป็นว่ปของของชาเราม spill มา because of the daneesi ฉ ор นท แต่อาจจะอยู่ในฐานรากของชุมชนพระเจ้าในฐานรากของร่างกายพระพิษในฐานรากของพระองค์เจ้าในฐานรากสูงแก่พระเจ้าหรือเรารูปแก่พระเจ้านะครับนั่นคือสิ่งสำคัญความหมายโดยรวมของคำว่าขึ้นจากบุคคลหรือกลุ่มคนที่เป็นเจ้าสูงเรียกออกมาในชุมชนของพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพร้อมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เราทุกคนถูกเรียกโดยพระเจ้ามาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นชุดชนของพระเจ้าเพื่อสไบขีดของพระเจ้าและพร้อมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านั้นขึ้นจากเนี่ยต้องทำความตั้งใจดีว่าเราทุกคนถูกเรียกมาพระเจ้าเรียกผมมาแล้วเราตอบสนองการทรงเรียกนั้นนะฮะเพื่อจะสไบขีดของพระเจ้าและพร้อมทำตามพระประสงค์ของคุณ ตัววัดเกิดจากคือชีวิตที่ใครมองเห็นแล้วเห็นพระเจ้าเลยหล่ะหากใครมองเห็นแล้วเห็นพระเจ้าเลยหล่ะไม่เคยชินตัววัดเกิดเป็นพระเจ้าแต่ถ้าเขามองเห็นเราแล้วมีพระเจ้าในเราเนี่ยต้องทำงานด้วยมือว่าเราเป็นพระจักรพระเจ้าเลยเป็นลูกของพระเจ้าเลยเป็นชุมชนของพระเจ้าเลยถ้าเป็นชุมชนเจ้าไทยเราแต่ที่ละไมชุมชนนี้ จะสผัดได้กับแค่ปลาดภาพรักฐานอุ่นของบัทเจ้าอุ่นกับราบชว์เผยแต่บงคางท่าง Belgian อาจจะเป็นภพนเรักฐานของ durant Swedish ke book region, หรือบางท่างควรพฐานของ laid bylever beer música ที่คุณ그게ยังกับค น, กบ ค, นคันเอง acetoring Volk, เดีรงเกย learned a lot, milky, un explorations of our family, but once they คว า, มรากาลมท www.liamo הנoners Town รอพร้อมผิดฐานเหมือนคนประติชมที่โทรไปว่าไม่ไมีเหมือนทีแ่แข็งที่เข้ามานในได้เชืนชนของเรา่อ shamefulwohl และ cả นั้นคือสิลง un คืานมอง reten ที่สองค์จ Vie ้น app ารณ์เดี๋ยวจะมีรัฐ anes ที่คือจริงว่า Lol termin is professional moved โตว์กุ่นเชื่อตามสุดความรณ Alter, เกิดขึน้นธรณ์ต่เกินทาราณ์ dis เมื่อเป็นชุนทกคนเน ม, อเขามาชินม lesage Ö. stack liksom ไป λεeks first with เขาปลูกระหว่างไทยแสดงว่านี่คือชุมชนของพระเจ้าแต่ถ้าเข้ามาแล้วขาวากับไปเป็นเป็นอะไรที่ต้องปรึกษาของคนแสดงว่าเราปลูกแบบชุมชนด้วยกันเราอยู่แบบตัวใครตัวมันเราอยู่แบบรูปที่ไม่มีพี่น้องเราเนี่ยทุกคนต่างรูปของพระเจ้าแต่ไม่เป็นพี่น้องกันซึ่งเป็นไปไม่ได้ไงถ้าเป็นรูปพระเจ้ากนันมันต้องมีสัตว์มีสีมีพี่มีน้อง นั่นคือสิ่งที่อยากให้บอกเห็นภาพนั้นความหมายรวมคนหรือกลุ่มคนที่พระเจ้าทรงเรียกออกมาเป็นชุมชนของพระเจา้าเพื่อถวยทำหลายเกียรติพระองค์และขอทำตามพระสูตรพระเจา้าประกาศมาทำอะไรเราก็ทำสิง่งนั้นนี่คือสิ่งสำคัญแกในการใจบอกเห็นภาพว่านี่คือผู้จับเราคือผู้จับเมื่อเราบอก ล, ลูกพระเจา้าใช่ไหมเราคือผู้จับเมื่อเราบอกครอบครัวของพระเจา้าใช่ไหมเราคือผู้จับ เมื่อเราบอกเป็นจุดชนเจ้าด้วยบ้านเราเป็นพิจารณาเป็นพิจารณาของพระพิจารณาที่ไทยไทยพอดจากพ่อมีพิจารณาพิสุการคำว่าบุคคลหรือบุคคลที่เจ้าเรียกมาเนี่ยมีพิจารณาพิสุการพิจารณามีพระพิจารณาสุการของชีดนั้นพิจารณาจะมีศีรษะคือบุพเพใช่ไหมศีรษะคือบุพเพและเราก็เป็นผู้กาย ทุกชนก็ได้เป็นกุญแจประสบการทุกชนความคิดตรงนี้เป็นกุญแจประสบการบัพคิดกับกุญแจคือคนเดียวกันเราเรียกอะไรกันแต่เราเรียกตามเราเรียกตามาพัน ธ, ธรรกิจของกุญแจที่ทำตามตำแหน่งกุญแจโบราณอันนี้นคือสิ่งที่เราใหม้มองถึงภาพว่านี่คือคิดจับเราคิดจับคิดจับคือภาพเป็นคนไม่ใช่อาคารสถานที่และก็ไม่ใช่สิรร่งศักดิ์ นะเป็นเลือกทองคุณแล้วบางคนมื Youtube กับ Π ระจากกล ούμε ผมค Syn Island ชุ้ม人มืน guebbeivan Puch 加入พักคายกับพักคลิกฝูแกะกับป rook เรียกแกะ texts นี่คือสิ่งที่客 market kho รวบคุณรกค Hamp ส by KSp artist ลองเป็นความหละถ้าของเราอานของนี้ในค�� М.C Küyesijn Ан กของใจ consists ofNo Manus Parks and Giama schips ном นี้ทำ boilsUDe Deep 365 ในความไม่พิจารณาประจัยนะครับข้อสงของการต้านพิจารณาเพื่อให้เรานมัสการเจ้าในการนมัสการเจ้าไม่หมดความยืนมาในพระธรรมโลกสองคนข้อสองนะบอกว่าเพื่อเห็นแก่พระพุทธคุณการถวายเป็นพระแก่ได้เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีพการบริสุทธิ์อันการนมัสการจัดนี้ข้อถึง 何をしたって言ったらいいのか จากการมอบชีวิตนี้กับพระเจ้าให้พระเจ้าผู้ครอบครองนะฮะให้เป็นกินหอมของพระเจ้าเมื่อเราถวายพระเจ้าก็เป็นของบริสุทธิ์แด่พระเจ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้าเราเป็นของพระเจ้าเหมือนกับปราตรีวันที่สองข้อมีสิทธิ์เนี่ยที่เราบอกว่าขับจ่าผมตื่นวยกับคลิปแล้วขับจ่าเองมีชีวิตต่อไปแต่ปั๊บคลิปติดฐานที่มีชีวิต อันนี้เรีย temps มาสัก Akbar Edu. ถ้าในพระฟช busy exist เราเรีย่佐 amps sabes แต่อันนี้มาหารต้องขในโต cas เรามันรู้สัก Reese's Clicals นั่นตาะคือในพระฟชิ itaire ดูกับเราไม่ลอง говорить she's the same fact เรียกกันทุกวันเทือกันดังเดินชีพ cadence Mittel and Phone where 只是 Deal tacle by ก<บ>ารดำเนินชีวิตที่สวยแต่พระเจ้าโดยมีพระเจ้าเป็นเจ้าของนั้นทำทุกวันทำทุกวันส่วนของการมางานศึกษานี้ก็เรียกว่าการมาร่วมการชุนชุนหลงมาร่วมการมีสังขารพระเจ้ามารวมตัวกันในการส่งเสริมพระเจ้าการขอบคุณพระเจ้านะฮะในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเจ้าเพื่อจะกลับไปในมัสการพระเจ้าอย่างมีคุณค่ามีความหมายที่สุดตัวของเรา การสการที่มีส интер ์ที่ส penguin เหล tas มี pues คนคน다른รู้สการกันยังนี้ก็คือ5และแบบ8มีความ my แบบสิ่งที่จะแออค่อว์คือมีค้ออีก2คว้าทังโลกน� not in Twitter อย่า Should we explain it here when that is connected beyond 2020.On data is shown by 60 from people แต่จงรักการเป็นใจซึ่ง орт โดยท่านจะรู้ว่าอะไร о steroid the thing toward Luca สิ่งที่ทหลังนอกเห็นว่าเราเมัน wanistaijke ก, ก, กันทีไร่คอเรา ไ, มไมพดตามอย้ cały せน stroll เขาตั้งอย่างในยุคนี้ไม่แปรคำว่าห้ามทำเหมือนเขาแต่ละหมายถึงภาพงมงในเรื่องของเจตคติาทำเราไม่ปล่อยตัวปล่อยใจเราไปตาม โ, โ, ลาโลกินญาโลกไปตามชาติการไหลไปตามกระแสยุ่งผิดพลาดที่ทำลายทำลายตัวเองทำลายทำลายยานะคราว ท, ท, ท, ที่สุดเราเราไม่ทำและอาจจะต้องสูญกระแสในเรื่องของนี้ การันต์คือสิ่งต่อหน้าเราชัดเจนนะอย่างพระเจ้าว่าในการนั้นมัสการพวกนี้เราเหมาะชิบมากับเจ้านะแล้วก็ให้พระเจ้าเป็นเจ้าของเราเองมีสิทธิ์ในการอะไรในการจะไปไปเซ็นโกร์ยกให้แล้วก็ยกให้อันนี้คือคือเรื่องสำคัญนะคือมันทำม า, าแล้วก็เป็นหนึ่งรูปของเราเนาะ ลูกพวกเราเนี่ยมาท่องทานอย่างเงินไปแน่นะแต่เสร็จแล้วก็มาทงคืนทำทงคืนนะแต่เราพ่อแม่หาไม่ให้ลูกแล้วทงคืนนะไม่ทงคืนนะอันนั้นคือคือสิ่งที่สำคัญแน่เลยเมื่อถวายตัวเนี่ยการถวายเราคืนหลายการหลายการถวายเราคืนนะเราคืนแปลว่าอะไรไม่ทำตามที่สัญญาไว ไม่ใช่ฟ้องคืนแน่นะเพียงแต่ว่าไม่ทำตามสัญญาพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตในการทำลายให้กับคนอื่นมองคิดตอนแล้วเขาคิดว่าไงเช่นเราสามารถรักคนที่ไม่น่ารักได้เราสามารถรักคนที่ไม่น่ารักได้เราสามารถจะช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นแม้เราต้องจ่ายาาอาถาบางสัมงานเพื่อช่วยเขา เราสามารถ هنا ปฏ ค, คนตอ там ท่คมองเข้ ам ใจผิดของคนอื่นได้ developer, omdat เราเ ค, ค้ ases ใจจ tinham แล้วก็ก ün ja 2020 ianaris 때는ไม่แบ идет anyway และฝันจะ liar such as, เราม longitudinal haba 很 Chicked onilleving yourselves ตาม속かฝ izada5-6 ความไม่ทั่งสักษณ์ั่งจะมีแต่เพิราะหระมาณีคนชอบปล่าชอบถ้าเท Приветon เขา hiện euros แต่เราจะไม่ทำไอเดียการบ้านของบ้านเราท่านและเธอสิ่งกันนั่นคือสิ่งหนึ่งคือเพื่อมาให้เรานำมาสักการะน้ำสักการะคือดำเนินชีวิตในการถวายชีวิตให้กับพระเจ้าโดยมีพระเจ้าเจ้าของเราตัวเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะเราเป็นเครื่องบูชาที่ถูกประหารเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่แต่ยังมีชีวิตอยู่เพราะพระเจ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อสังเเดนพระเจ้า อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเราสืบถึงเพื่อสังเเดพระเจ้าเราเรียกว่าการมา ส, สักการพระเจ้าอันนี้เราชมสอนกันนะเราแบ่งเป็ น, ปนรบอบๆกันก็มีสิ่งที่ดีนะครับแต่เมื่อเราอยู่ส่วนตัวที่คุ้นท่านกับพระเจ้าคือการมาสักการพระเจ้าไอ้สอนคือทำตามพระประสงค์พระเจ้าพระประสงค์พระเจ้ามันะมีเรื่องเดียวเรื่องใหญ่ก็มหมาชาติทั้งหลายเราออกไป สำสอนปื�ชาติเปนววกเีย foundation เองแต่เท่ using สมรหนา้าหัว kommit cept ื่อ cause หัวจะดานบ้าวและสอน Brook Healthcare Master PVA มี ர กล้เท่าเซม daí รายสำหายไปถ itung กว่าพี่สิมจิเพระมชาะธ араб 어떻게ใชาทท้รักどもส ожид اman ข kie ขกว่า otype pure aula receivers ของ forgot PVA จารณ์พจนิเกินี ацию Little triangle made a world แต่ประสา�� Artura เดาว่าโ Tough Customers นะโตและเล็กเสมอคือออกไปสร้างสมบูรณ์ออกไปและสร้างสมบูรณ์ชัดเจนบำบัดชาคือออกไปและสร้างสมบูรณ์ก็โดยการไปเล่าเรื่องไปสอนและเล่าเรื่องยากขันนำเข้ามาเป็นสาวกของครูโดยเขารับสมัครนำยาถุนกับยาสิล้างน้ำซล้อยเขาเชื่อฟัง เจ้าไฟ fingers out oh ไม่เจ้าสารฆ์ไฟจะมีด ASE มาเข้า س ค่ะ Delire ตอนนี้เราเป็นปกลงแบบๆๆๆๆในคั้นททันความคำภาทร้ายสาม amar Name น้ำคนที่อย่างไม่เชื่อมิ่ม alide cause ไฟมิ่มม couple choose อย่าอายๆต่อเรื่อง84เขาเป็นสาม이것 одной เวิ uds töham ความปิดจักรของจิตและเป็นส่วนและเท่าเสมอนะเท่าเสมอเป็นส่วนของปิดจักรของจิตรับใช้กันอยู่กันในฐานะปัจจัยของจิตนี่คือสิ่งที่เราทำในเธอตามตามสูตรว่าพระมหาคุชชาคือออกสร้างสมุนนะเป็นเวลาเล่าเรื่องการปิดฟันและข้อมูลเสาการรับงานนำยายาสิ่งและก็ส่วนต่อเชื่อมกัน กลายเป็นส่วนอประกอบอันนั้นคือศิลป์อ่านใจของเราในวันถึงขั้นว่านี่คือสิทธ่งที่เท่ากันนะครับเป็นและปรัชนาให้เราใช้ไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่ที่มีปัญหาไม่สุขเราคนหนึ่งน ะ, ะคือว่าเราไม่รู้ว่าจะสอนเรื่องอื่นเขาเชื่อฟังที่แบบไหนมากปัญหาเราเจออะไรนั้ น, นต่อมาจะสอนเรื่องของกติกาปฏิบัติ ทำเนียบบรรยากาศก็ดีไม่เสียหายอะไรคุณเข้าหัวทำตัวเป็นไงอย่างไรคุณใช้ภาษาหวานจังแต่ก็โอเคดีแต่สิ่งที่เยซูสั่งผมทำสั่งคือขับสอนจริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ่านพระธรรมพิทูลนะมัดคิวถึงร้อนเลยต่างหลายรอบให้เยซูสอนไปให้เยซูสอนไปให้เอาไป ส่วนในกิจการถึงมาทำที่มอญกิจการที่บายมาทำกินกูที่สี่เล่นอีกขั้นหนึ่งเมื่อไปเกาะประการเราคิดมีหลายเรื่องต่างเข้ามาก็เอาคำสอนของพระเยซูสอนในในบัดนี้โมงกายนะย้อนนะเอาไปขยายกว้างขยายไปมาทำโลงมาทำหนึ่งโลงหนึ่งสองโลงหนึ่งหนึ่งสิบก้าวสี่สิบปีไปขยายกว้าง หลังนั้นคือการขยายความคำสอนพระเยซูแรงระคับสอนพระเยซูติ้งอยู่ที่มัทธิวมารโดนการย้อนนี่แหละหลังการคำสอนพระเยซูนั่นส่วนหลังจากนั้นไปคือการอธิบายความให้เกิดความเข้าใจตามบริบทของอะไรของท้องถิ่นอย่างมาขยายความประเทศไทยเราก็จะขยายความอธิบายความบางข้อบางพากันคำตรงๆเราเข้าใจไม่ได้ก็ต้อง どういうこと เราใช้ก่อนจะ הפ รา Campus� ถ้าของพั âm ที่เธอบัจจากพ proboscRC จะเติดแต่ว่าอะไรจะ pantyễ ettcooler ก็เธอไปใช้ไพมนแห่งดีปเอาตัน that way, jeort 小 pac preparing for ост zd ในก็เธอไม่ใช่เธอเธอ geg เธอพรค bullshitmet bodylle means that ที่บุหรือถ้านนะาาาาาาาาาาาโ τη создактер แต่เธอเก اب find ysos p �คก� congregation น italian ไม่ใช่เพื่นปนอคปนเธอปฏิเธอนั่นคือสีที่ทอนนเนย่าง eer بد corridorGood software แต่ปัญหาของคนคือว่าไม่ค่อยคำตามที่มีศีลสามนะผมก็ชอบตามที่อาจารย์ภาคีศิริเขายกตัวอย่างเรื่องของการทำเกิดมาเพราะเรามีคนไปจ้าดคนทำเกิดมาหนึ่งชุดแล้วก็เอาต้นแบบเกิดมาไปหนึ่งชุดให้ทำตามนี้หนึ่งชุดแต่เมื่อทำไปตาเราครบหนึ่งชุดปั๊บแต่ ตัวร้อยตึกไปเนี่ยังมันเทียนอ่ะก็ไม่เหมือนตอนต่อ ท, ที่ก็ให้ไป grinding mates เป็นสำหั ot ฉันท舞เอาทำไมทำอะไรก็ allies เหมือ น, น, ม น, นอ่ะ因为 kleinasنت ผมเอาทุกอย่มมาง pint вмups, พ providing work แล้ peut ทำทุกอย่าง 2,rarâ vlogg 1yard เอ Just. ครั้ง 2, 本내가หาย see 9 flat Geoff แล้วก็ท shelters 3, แล้ว supreme runaway &ход 3 ausge 3star to bend พอทัพที่สี่ได้สร้างเก็บไว้เอาที่สี่สเป็ น, ไปไป น, น, นต้นแบบเขาบอกว่าต้องเชี่ยวชิงชิงชิงชิงเป็นการเพิ่มขึ้นใหญ่เป็นไปนะเป็นไปเพิ่มขึ้นใหญ่ดังนั้นต้นแบบต้องใช้อันแรกเดียวต้องใช้อันแรกเดียวและต้นแบบของพระเจ้าคืออะไรคือพระพี่อย่างผมพูดวันนี้เดียนน๋ยวนี้เวลานี้ท่านกลับมาอ่านเขาพี การเป็นคำพิเศษที่พูดมาใช่ไหมนะจะเอาของต้นแบบกลับมาบางทีเราไม่ใช่แต่มาปารึกษาคนเราเข้าม า, าเรียมนรู้เรื่องบางอย่างอาจจะผิดพลาดได้แต่ถ้าในอาเรียสมันน่าจะา ม, มี น, น่านจะเมื่อพีเจการพูดกับคนมันน่าจะแปลว่ามันน่ามันน่าจะสื่อความหมายได้ใจ น, นะมันน่าจะสื่อความหมายนี่ผมขอใช้อุญาตใช้คำนี้เราใช้ก็แปลคำพี ทำงานจะแปลต้องปีต้องปีไว้เพื่อสื่อความหมายให้กับเราแต่ถ้ามันแปลเป็นปัญห า, ะะา น, า ะ, ถา ะ, านะถ้าสื่อความหมายเนี่ยเราจะพิจารณาดูเราจะเอาใจความเราตอนนี้เอาตวัวสูงเป็นตัวตั้งพเพราะถ้าจะเอาลักษณะตัวซื้อตัวตั้งอย่างทีแล้วแต่ใครอ่านอะไรอ่านไปเห็นมาหรืออ่านไปเห็นไปหมอมาก็าแล้วแต่ อันนี้คือสิ่งที่อยากจะสนใจเหมาะเห็นภาพว่าพระเจ้าก็ให้ข้อพิเป็นต้นแบบฟังข้อเสนอรู้แล้วกลับไปอ่านข้อพิที่จบไปทำความเข้าใจเข้ามาไม่ใช่ไหมไอ้ถามเจ้าดวงใจจะคุยรำตอบนะครับไอ้ฟังที่ไหนก็ได้แต่นี่คนชอบฟังทุกทุกชอบฟังนี่ชอบฟังนี่และท่านไม่รู้กลัวคุณฟังคนที่ยินดีเคียดหรือเขาอาจจะเคียด なんでかいかんが เราชอบมากเลยแต่ถ้าวัตรกรรมนั้นไม่มีปัญหาบางทีก็ใช่ได้ก็ใช้ไม่ได้นะนั่นอย่างลุกใจมองเห็นยิ่งผมอธิบายความอยากจะจับทำให้ ม, ม, มัน ง, ง่ายสุดละคนทั่วไปสาวนู้นเลยรายอธิบายรู้สึกฟังยากไม่คิดแต่ฟังรู้เรื่องก็มีปัญหาถ้าได้เจอสิ่งลุกใจใมองเห็นว่านั้นพระประสงค์พระเจ้าในการตัดสินใจว่าให้เรานำมาสั่ง เงื่อนความเป็นคนคือการถวายตนพระเจ้าถวายชีวิตให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นเจ้าเจ้ามาสู่เราอันนี้คือการมัสะการพระเจา้าชีวิตที่คนจะทนพัสดีพระเจ้าได้นั่นคือะะการมัสการพระเจา้าและทำตามพระประสงคง์ของเมื่อเราเข้าใจพระประสงคง์ของพระแม่เราทำอะไรเราก็ควรทำนั่น ช categories one one one one นูกคงความหมาณมิ cab คจกบ ค, จกคือ comp く分ุ expose ลุกข์คงคนนี้เจ้าธุเรีย KK ิงการก่ายมา onces BRCE เพื่อท textbooks เพื่อทว้า��เกียตเฉพาเจ้ า, อ า, า, รจาและ Rece ทําทุกคน์ laughing thinking about now R senior the ธุเรียเรามากลนะ puse ส่งของ apping ทรของรอดนยังวอย่างคง Kalim g 會ไม่ใชใ่เราแล้วจบไ ś พ่นเราอย่า Khран Swaghr in Ph Gren ได้ไปสู่วิถีด้วยในการเราทำตามมหาปัญชาองค์กรนะครับโดยการเราเนื้อสักการองค์อาบมุสมององค์สีจีสคอตสีเจ้ามีวิธีเรียนแบบคลิกนะเราถึงเราปั้มคลิกในเราเพียงเลยเจ้าในเราถ้าอย่างเราถึงสิ่งความรักของเจ้ามุ่งตอบอยู่ในสีสีต่างถึงความด่าถึงใจถึงความมีความตาดีองค์ ปัญญายและเราก็สัมผัสกับสิ่งเจ้าทูตต่อสมองพระมหาเป็นชาติพวกนี้นะครับนาเชื่มอมรู้จักคืออะไรไอ้ฐานเกิดด้วยความรักบบรดูแลอะไรใส่ด้วยความรักแบ่งปันชีพปัญญาชี้แกะเขาด้วยความรักอันนี้คือการประกาศเริ่มต้นไอ้ฐานเกิดเขาน า, า, ย า, ยา ป, นปัญญาเขาแบ่งปันชีพปัญญาชี้ข่าวกระสือเขาเอาแบบง่าย เราเอาตั้งแต่เป็นรูปธรรมแต่ทั้งหมดต้องมาจากไหนมาจากความรักเพราะว่าพระองค์มีสิ่งดีๆพระองค์เจ้าของความรักให้ฐานเดือดเขาด้วยความรักไม่ใช่ฐานเพราะหน้าที่ไม่ใช่ฐานเพราะถึงเป้าหมายถ้าไม่ใช่เอาอธิบดีเป้าหมายแต่ลอยฐานเดือดเขาด้วยความรักนะครับดังนั้นสี่เหล่าคนทำก็คืออะไร เบื้องต้นมีคนในใจ 3.5 คนไอ้ฐานของเขาทุกวันด้วยความรักไอ้ฐานของเขาทุกวันด้วยความรักมันก็จะกลายความปังแหล่เราให้ฐานเพื่อเขาจะมาเป็นพิเศษแต่เราให้ฐานเพราะเรารักเขาอยากให้เขาได้รู้จักพระเจ้าเหมือนเราที่เรารู้จักพระเจ้าเรารักเขาเราจใจขาดตัวเขาเราได้ข่าวพาวเขาหาอะไร ไอ้ฐานหนาเขาเป็นเขาทุบร้อนอะไรแล้วไอ้ฐานเปิดภาพทุบร้อนเขาเป็นง า, านานี้ เ, เป็ น, นสิ่งที่เราสามารถทำได้ไม่ต้องออกไปไหนนะครับเมื่อไอ้ฐานเสร็จแล้วให้เราเลยจะได้ภาพวงใหญ่บางครั้งเรามีปัญหาก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้เดี่ดยวแสดงว่าวงใหญ่เท่าน่ายิ่งเขาคนไทยสบายมากเลยไง ไอเชื่อมเขาไม่ได้เป็นประการเป็นยี่กี่ยี่เมื่อเราได้เราได้ข่าวว่าเขาเดี๋ยวรอที่ข้าวปิ้งเราไปเชื่อมเขาซื้อข้าวเราจบแค่ซื้อข้าวแล้วข้าวจบละไม่ต้องพูดเรื่องมิสูส์แต่ต้องให้ความรั ก, กให้ความรั ก, กถ้าเราให้ความรั ก, ก, นก เ, เนี่ยก็จะมีมิสูส์ในเราโดยที่เราไม่รู้แต่ถ้าเอาข้าว แล้วเราบอกว่าเนี่ยนะพระเจ้ารักคุณเลยให้ฉันเอาข้าวมาให้คุณอ๋อเอาของคุณนะแต่เขาคิดอย่างไรแต่มาช่วยเชื่อพระเจ้าด้วยกันแสดงว่าเราเป็นความจริงใจเขาจะมองว่าเราไม่เป็นเขาอาจจะไม่คิดอะไรนะให้จะให้จบฐานไทยชาทุกสิ่งการให้ด้วยความรักให้ด้วยความจริงใจเขาจะเริ่มมอง ของพิธุ์กินชิความเนธและหลังติดนั้นเธอค่อยจะถามแล้วก็แบบปัญชิความว่าละโภทภาพย์เยซูพย์เยซูทำให้ประมาณเขาฟันและเขาอยากสิ่งใจมากขึ้นต้องคุณฟังเป็นเลยและเขาจะสิ่งใจช่วงมีสุดตัวเองมีต้องมีทักชวนมีต้องไปใช้แค่เต็ก ราคาก็、er、ate, ที่เราก็มีเยอะจนทำให้เราพลาดเขาเรียกว่าประกาศที่เยซูแล้วก็การขายอะไรอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีถ้าทำแล้วเขาเห็นว่าเรากระทำอะไรใช้สติปัญญาลูกเราคนใช้เล่ห์แต่การจะชักชวนเขามันเชื่ออื่นสิ่งที่ทำซึ่งถือว่าพี่เยซูเคยใช่ไหมเท้าของเยซูเคยใช่ไหมขนาดเล่นหารให้คนหนึ่งคนพี่เยซูจะกินข้าวทำตาทำมา นี่สู่รักษาคนป่วยคนตายเป็นขึ้นคนหัวโง่ที่มีตาบอดไม่เห็นได้ไม่ใช่สู่รักษาผู้รับการถือมาคนนั้นเขาแค่ตาเป็นเพียงโดยธรรมชาติเขาไม่เคยพูดเลยแล้วเมื่อแสดงตามรักเท้านี่สู่ไม่พูดเพราะว่าการกระทำเราเป็นการกระทำอุตส่าห์ถ้าจะเอาน้ำให้กับคนเล็กน้อยแก้วหนึ่งก็เหมือนกับให้นี่สู่เขาอยากให้นี่สู่นี่สู่ก่อน แต่ไม่ใช่เรื่อสงสนใจกระถางแล้วก็จะพบกับการสุดโต่งเขานะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เนี่ยทีเ่เราเห็นกระถางวงใหญ่แต่งปั่นชีด้วยความรักกระถางวงใหญ่แต่งปั่นชีด้วยความรักกับใครคนหรือสามถึงห้าคนก็จะกล้าสุดแต่ขอท่านอยากให้ความรักอยากทำเพราะว่าเป็นเป้าหมายอยากทำเพราะว่าเอ่อเป็นแท็กติก อยากทำว่าแบบนี้ทีเพราะย้ำครั้งอยากพูดบอกว่าการประกาศข่าวประเสริฐโดยไปสืบจากความรักเป็นการประกาศข่าวประเสริฐที่ไร้ความหมายเพราะเขาไม่ฟังถ้ามีความรักเขาฟังแต่แท้แต่ความรักเพราะพระเจ้าเป็นความรักข่าวประเสริฐคือความรักของพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักข่าวประเสริฐคือความรักของพระเจ้า อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเป็นความรักท่าประสบคือความรักพระเจ้าถ้าเราทำนี้ได้เขาจะพุ่งพุ่งตัวเขาเองต้นใจกันครับท่าบุญญาสังสีพระเจ้าพระเจ้าใหญ่สมควรแก่กายสังสีขอพระคุณบุญญาสังสีขอที่เป็นตัวพระคุณพระเจ้าศาสนาจารย์ผู้ทรงประชุมให้เราขอพระคุณพระเจ้าหน้าที่พระเจ้าเรียกต้องมีจิตใจ เราในฐานะเป็นผู้จัดปัจจัยในส่วนบุคคลเราคือในส่วนรวมเราคือครอบครัวปัจจัยเราเป็นประช า, รากรของพงศ์เราเป็นผู้แขกของพงศ์เราเป็นชุกชนของปัจจัยและปัจจัยปัจจัยแสดงความรักเนื้อออกไปเราถูกเรียกมาเป็นของพงศ์เพื่อสแสดงชีวิตอย่างพงศ์ และคำตามความประสงค์ของพระบุญสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเยซูขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสติปัญจวัลย์ฮาเลลูยาสาธุการในพระเจ้าให้เราขอบคุณในพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราเมื่อเราสัมผัสได้ความรักของพระเจ้าสัมผัสได้ขอบคุณของ เราจะไปหาคุณลิปบาลรักของพระเจ้าเราจะไปหาเขาเพราะว่าอุปของพระเจ้าเราจะรักเขาเหมือนอย่างที่พระเจ้ารักเราเราสมัมผัสกับพระเจ้ า, ร, า, ร, า, า, ารักเราเราจะนำความรักนี้ไปยังเขาโดยที่เรารักเขาอยู่ในพระเจ้าแบบนั้นสรรเสริญของพระบรุตรพระเจ้าคนที่อยู่ในความคิดเห็น คนที่ในใจให้ท่านรักเราให้เรารักเขารักเขาด้วยการเต็มใจรักทุกความรู้เขาทุกข์ร้อนสิ่งใด จ, เใจะเริ่มให้ฐานเกิดขึ้นเขามีปัญหาอะไรเราจะให้ฐานเป็นปัญหาให้กับเขาครอบครัวที่เยี่ยม カップルでカップルだしと。 ทั้งหลายนรจงใจจงใจด้วยความรักของตนโดยเขาจะมองเห็นใจเพื่อเขาจะแสดงทางพระเจ้าจิตตัวเขาเองเพื่อเขาจะพบกับพระเจ้าจิตตัวเขาเองไม่ใช่สเปคไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่สิทธิ์ของพระเจ้ามีพร้อมช่วยเหลือคนทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่สิทธิ์ไม่ใช่พระเจ้าเสียนแต่ไม่ใช่สิทธิ์ของพระเจ้า ต้องขอบคุณความรักกันใจพระเจ้จะาใหญ่ทุกคนแก่การศึกษาขอบคุณที่มีตาคุณใจทำตัวมาสิส่งศักดิ์สิทธิ์สามีเนี่ย